โทษแก่ปุตุชนในการเกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิ์สำหรับปุตุชนฤทธิ์อาจเป็นโทษได้ทั้งแก่ผู้มีฤทธิ์เองและแก่คนที่มาเกี่ยวข้องกับผู้มีฤทธิ์ปุตตชนผู้มีฤทธิ์อาจจะเกิดความเมาฤทธิ์ในลักษณะต่างๆเป็นพวกเดียวกับเมาความรู้เมาศีลเมาฌานเป็นต้นเช่นเกิดมาณว่า เราทำได้ในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้คนอื่นทำไมาได้อย่างเรามีความรู้สึกยกตนข่มผู้อื่นกลายเป็นอสัตย์บุรุษไปหรืออาจเกิดความหลงไหลมัวเมาในลาบสการะที่เกิดจากฤทธินั้นนำฤทธิ์ไปใช้เพื่อก่อความชั่วความเสียหายอย่างพระเทวทัตเป็นต้นอย่างน้อยการติดใจเพลินอยู่ในฤทธินั้นก็ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไป ไม่อาจชำระกิเลสทำจิตใจให้บริสุทธิ์ได้และเพราะฤทธิ์ของปุถุชนเป็นของเสื่อมได้แม้แต่ความห่วงกังวลมัวยุ่งกับการรักษาฤทธิ์ก็กลายเป็นปริโภธคืออุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถใช้ปัญญาพินิพิจารณาตามวิธีของวิปัสสนาอย่างได้ผลดีท่านจึงจัดเอาฤทธิ์เป็นปริโคธอย่างหนึ่งของวิปัสสนาเรียกว่าอิทธิปริโคธซึ่งผู้จะฝึกอบรมปัญญา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 หรือใช้อิทธิปาฏิหารโดยไม่ใช่เป็นเพียงบันไดที่จะนำไปสู่อนุสาสนีปาฏิหารพึงถือไว้ก่อนว่าผู้นั้นปฏิบัติผิดในเรื่องอิทธิปาฏิหารเขาอาจมีอากศสรเจตนาหลอกลวงมุ่งสแสวงหาลาบสการะหรืออย่างน้อยก็เป็นผู้มัวเมาหลงไหลเข้าใจผิดในเรื่องอิทธิปาฏิหารนั้นหลักการนี้ผ่อนลงมาใช้ได้ แม้กับพฤติการเกี่ยวกับเรื่องของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปโดยอาจให้ยึดถือกันไว้ว่าผู้ใดนำเอาของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งลึกลับต่างๆมาใช้ในการเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยไม่ได้นําประชาชนไปสู่ความรู้ความเข้าใจในธรรมไม่ได้ต่อท้ายของขลังเป็นต้นนั้นด้วยการแนะนําสั่งสอนให้เกิดปัญญาคือความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับความจริงความดีงามที่ควรรู้และควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อช่วยนำเขาให้ค่อยๆก้าวพ้นเป็นอิสระออกไปได้จากของขรังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นพึงถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติผิดและนำประชาชนไปในทางที่ผิดของขรังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อา น, นาจลึกลับนั้นรวมถึงสิ่งที่ท่านเรียกว่าตรัสรฉานวิชาบางอย่างด้วยตรัสรฉานวิชาคือวิชาที่ขวางต่อทางสวรรค์นิพพานหรือวิชาภายนอก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 และกล่าวซ้ำไว้อีกหลายสูตรในพระไตรปิฎกเล่มเก้านั้นมีสิกขาบทห้ามเรียนห้ามสอนติระชานวิชาด้วยอันหนึ่งแมในกรณีที่ไม่ได้ตกไปเป็นเหยื่อของผู้อวดอ้างฤทธิ์การไปมัววุ่นวายเพลิดเพลินหรือฝักใฝ่กับอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งหลายก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวแล้วทั้งหลายแง่แง่ที่หนึ่ง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 หวังอำนาจโดนบันดาลให้เกิดโชคล่าเป็นต้นการปฏิบัติเช่นนี้ย่อมไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นกรรมวาดกิริยวาดและวิริยาวาดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรรมวาทะกิริยวาทะและวิริยวาทะคือสอนให้คนหวังผลสำเร็จจากการลงมือทมด้วยความเพียรพยายามตามเหตุตามผลการมัวหวังผลจากการอ้อนวอน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 แต่ก็ยังขัดกับหลักการแง่ที่หนึ่งข้างต้นอยู่ดีคือเสียเวลาและแรงงานที่ควรใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมให้หมดไปเพราะอิทธิปาฏิหารไม่ใช่สาระสำคัญของพระพุทธศาสนาแต่กระนั้นถ้าจะฝักใยก็ควรฝึกตนให้ทำปาฏิหารนั้ น, นเองจะดีกว่าเพราะการฝักใยวางผลจากอิติปาฏิหารของผู้อื่นหรือจากอานาจดลนดันดานทั้งหลายเป็นการพึ่งสิ่งภายนอกทาให้ชีวิต ขึ้นต่อสิ่งอื่นมากยิ่งขึ้นแทนที่จะอาศัยอำนาจภายนอกน้อยลงและเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นจึงอาจทาให้กลายเป็นคนมีชีวิตที่เลื่อนลอยมักเป็นอยู่ด้วยความเพ้อฝันเป็นคนขาดประสิทธิภาพขาดอำนาจและความมั่นใจในตนเองขัดต่อหลักการพื้นฐานของพระพุทธศาสนาที่สอนให้พึ่งตนเองสอนให้ทาตนให้เป็นที่พึ่งได้หรือสามารถพึ่งตนได้ และสอนมรคคาแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระซึ่งในขั้นสุดท้ายให้ข้ามพ้นได้แม้กระทั่งศรัทธาที่มีเหตุผลไปสู่ความเป็นอยู่ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ไม่ต้องอิงอาศัยแม้กระทั่งพระาศาสดาเริ่มต้นมรคคาจากการอิงอาศัยปัญญาสองนําขององค์พระาศาสดาผู้เป็นกัลยาณมิตรไปสู่การยืนได้ลําพังตนโดยไม่ต้องอาศัยการประครับประคองของพระาศาสดาอย่าลืมว่า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 เกิดจากศรัทธาอย่างหนึง่งเกิดจากปัญญาอย่างหนึง่งพระอรหรันตปฏิบัติตามคมสัง่งรักษาระเบียบวินัยด้วยปัญญา